ทีผมก็ไปบวชที่ก็เลยไปหาอาจารย์กูบอกผมบวชไม่เอาอะไรมากเพียงสมบุสมบุกได้ไหมเป็นบอกได้ <c oughs> ก็เลยบวช <c oughs> บวชก็นีแหลกผมไม่ได้ภาวนาแต่มันมีแปลกอยู่อย่างนึงด้วยคือไอ้วัดอะลุณหลังสีที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่ใกล้ๆล่างมากนะผมก็อยู่องค์เดียวว่าเด็กวัดสองคนมันก็ออกไปเรียน อ, อยูเงียบผมก็นึกปัญหาขึ้นมาตายแล้วไปไหน มันก็ตอบเองตายไหนก็ช่างหัวมาเป็นแหล่ะคนนึกอย่างนั้นเราง่วงทันทีเลยครับง่วงก็เอาเอาที่ะเอลงนี่มันฝันทันทีเลยมันไม่หิวน้ำทีนี้ไอ้น้ำธรรมดาผมก็ใส่ขันไว้ทั้งตัวที่กูติดสองชั้นก็จะดื่มน้ำน้ำมันไม่เข้าเลยหิวเท่าไรนี่ไม่เข้าจนกระทั่งตื่นขึ้นมาผมก็เลยเออไอ้ที่ว่าเราว่าตายแล้วช่างหัวมันมันไม่จริงอย่างนี้เขาอยกเปลี ดัง น, นะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเอาให้ภ า, น า, า, าวนาด้วย่ะผมว่นะโดยมากาวนาผมคิดวิธีของผมเองผมไม่เคยเอาการตำรานาะยนี่ผมบอกอผมคืมออ่านวิสุที่มรกมาขนหมดนะดีก็เอเอากามตารามันยากเกินชูนี่ผมก็เลยแล้วผมก็บเป็นคนฝึกตาผคนเคออกิดคนจรดิษยาพี่น้องก็ไม่มีอยนะ่างนั้นดี๋ยไปทำดวงตาสีอย่างนังเตียงนั่งบนเตียงสูงตอนนั้นอ้นมหวแล้วม่ขเข้ใจจะไหมนผมเลยว่าเอา พอนีพระจันทร์กำลังข oh, so ึ้นครับพระจันทร์ขึ้นอยลังเป็นมีคนอกนี่ละเขาตัดให้ผมเล้ยงดวงอาทิตย์เานื่มาเสด็จเมื่อเสียมาใชม่ใช่รอนะฮะสด็ะเม่เสียเม่ไรเสผมเกิดทุกอะไรโอไม่ใช่คนมาแชนอกหรอกผมไปสมหามุญลูวัดบวรท่งผมไปสอนเมืองนอกตั้งเกบยี่สิบปีมาแล้วโอเข้าใจ้ผมไปตั้งวัดชมุทธครั้งแรกที่แม่มสอนนั่นก็นี่ตามไปตั้งเป็นเลนยี่สิบหาเดี๋ยวนี้เป็น ถ้าครูแล้วเป็นครูอยู่แม่สอนน่ะชลิตน่ะเป็นคนหัวลำโพงเรีอนหกประยกเลยเจ็ใครครับเรยนคือเรนนี่นะะเรียนนักธรรมผมผมไม่ได้เรียนครับหมดเป็นงดป่าเลยอ๋อามนี่ก็มาได้เรียนครับดีเียวตามผมไปอยู่แม่สอนแล้วขึ้นไปอยู่บนเขากับแม่ไปอยู่ท่าเขาแม่อยู่จนังโตผมเรีที่วัดตุกแฉบนที่วัดตุ๊แฉบบทนาจบนะครับไม่ได้ใจไมได้บทอยู่แล้วจ ไม้ใช่เอาของสวยมาผูกผมก็จะใส่กระสีเอาอย่างนั้นเองรอนใช่ไหมใช่ครับ ก, ก <c oughs> ผมวันนี้พี่ครับลูกศิษย์ผมเนี่ยรับม <c oughs> ีค <c oughs> อรย์ <c oughs> จานเนี่ย เป่าหัวมันหายปที่อันนี้มามาอยู่นี่สองพรรษาใช่ไหมใช่เขาเขียนจดหมายไปถึงผมมันก็มาอยู่กันทันทีจันนี่มีครอบครัวอะไรอยังอย่างไม่ได้ดื่มสุราหรือ่ยอ่านะดื่มดื่มสุราไมดื่มสุราไหดื่มไหมสุราเนี่ยตั้งตั้งวันเดิมครับก็มาทา ก็มาทานไม่ควรดื่มสุราทานมันนะหายไปเยอะแล้วเพ <c oughs> าวันหนาไว้แต่ทุกวันไงไม่ไม่ไม่เกี่ <c oughs> แต่พยายามคิดอยู่ <c oughs> คิ ด, ค, ดค็ดถึงธรรมะมีลูกค็ดผมแต่ก็ผมไปที่แรกม่นจบ20ปีแล้วเขาภาวนายอยู่เมืองนอกแล้วก็เลยศรัทธาเลยมาบวชอยู่นี่ <c oughs> มาตัวคามเขาไม่เอาโรคเอียทให้เราหรือไม่ไม่นะไม่เออ ตอนภาษาอังกฤษกลางวันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สอนครับตอนนีทํางานทีโบยส์ทำมือเดียวได้ไปเยี่ยมหลวงปู่มหาไหมไม่เยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับท่านจาได้ไหมจาได้ครับท่านเข็หัวไหมเข็ดครับทุกครขังยวอาหารไหมถ้าเหียวอาหารลงไปทําวิชาโรคเสือวิชาโรคเสือทําเองเลย บอยสเกาบอยสเกาภาษาภาษานะครับเป็นลูกเสออยู่อ่ะบอยสเกาว่าทูมิคบิลเนอร์ครับอ๋ออยู่เอออยู่อยดนี่ครับตอนผมไปอยู่ออสเรเลใหม่ๆเข้ามาทำอาหารอะไรต่วยยังกูขาดตัวให้ทุกวันทุกวัน ยีนน่นี่องขยันขย<ด>ันมมมผมผมเริ่มภาวนาแบบับนั่งสมาธิไม่ได้นอนที่กันแต่ยังยังคิดในใจมีประโยชน์มากที่สุดมีทางใจใช่ก<ผ>ม็มีประโยชน์มากที่สุดนะทําอยู่บ้างนะอย่าไปทิ้งเนอะทิ้งแล้วไม่มีที่อาศัยเนอะเออมันเป็นว่าวเชื่อขาดอย่าไปทิ้งธรรมะ เขาให้เงินเดือนของคุณเดือนละล้านบาทคุณจะเอาไปได้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเหมือนกันนะ่ะก็ภาวนาเดี๋ยวไปลืมตัวในวัฏสรรงสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาาัตตาสุดที่เดียวเขาแปรปรวนระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีพระทหาก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อหน่ายสุขของคณรวะก็สุขเกิดแต่ความไมครับ ทุกเกิดแต่ใจทรัพย์บริโภคทุกเกิดแต่เพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกเกิดแต่ทำงานที่ปฏิจจคต์โทษซึ่งอย่างนั้นประโยชน์ได้แั้อนิจจังเกิดเพื่อความเปรตวรได้แต่ละลายได้ได้ใรโลกล้วนอนิจจังได้ได้รนโลล้วนทุกขังได้ได้ในรลกล้วนอาัาตาอย่าต้องสัยเลยนะท่านอดีตทัานอนาคต เ, เห็นอยู่เพรเาะคำลมเข้าใจเขาออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นอยู่ดูเวลาไหนก็เห็นอยู่เวลานะั้น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 ผลแปลว่าผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุพืชกรรมเป็นรสมาลสร้างเหตุพืชกรรมลงแล้วผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมพอได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของกรรมที่สร้างขึ้นแม้จะไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นคำกาวานพืชทางชั่วก็พอได้ผลทางชั่ววานพืช ทางดีก็ได้ผลทางเรียนคำว่าพืชเป็นคํากลางคาว่ามักก็เป็นคํากางมักแปลว่าข้อปฏิบัติส่วนผลมันไหลมาเองมันทีนี่มักกับผลไม่อยู่ห่างกันพอข้าวพอข้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุพิจารณาผลก็พิจารณา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 โสดาปฏิสนธิสักษาไัยผลอนาไสยผลอรหัสตสักผลนอกนั่นต่ำกว่านั่นลงมาเป็นโลกีท่านมาค่อยยุ่งพระบรมสารและก็ไม่รับรองด้วยก็ท่านรับรองในไตโรกทาตรับรองสุปฏิปนุเป็นต้นพมจังขององค์ท่านคือพระโสรวันผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดเสียน้าผู้นั้นไม่ใช่สุปฏิปนุ ไม่ใช่ทำมาจากสุจักรสุคือดวงตาไม่ใช่สมัญตะจักขสุไม่ใช่จักรสุรบอบคอบผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดระบายยมุผู้นั่นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเนอผู้ใดเสีอดายอยากะถือศาสดาอื่นมาปนไปกับศาสตราพุทธอัญชัตุเทพถือศาสดาอื่นผู้นั่นก็ยังไม่ถึงใจสาระกรมแท้ยังเป็นเล้าเชื่อกขาดอยู่ ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปลิวไปตามลมอยู่คนหมู่มากลากไปทางชั่อกข้ไปกับเขาลากไปทางนี้ก็ไปกับเขาเราไม่ใช่ไถจะให้เขาลากไปยังไงเราไม่ใช่พานไถลากไปทางชั่วกขึ้ไปเขาแรกไปทางนี้เขาไปเขาเขาเอาเป็นประมาณม่ได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชืสส่อตัวไม่ได้คนหมู่มากลากไปทุกวัน ถ้าจะเอาคนหมูมากเป็นประมาณหมดคนหมูมากในโลกเนี่ยเขาบอกว่านิยมกินอุจจระว่า อ, อย่างนั้นใครกินอุเจระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างเขานิยมกันกินหมดพวกแผ่นดินเนี่ยพบลูกปูก็ไม่กินเนอะลุกปูไม่กินเขาจะนิยมกินก็ตามลูกปูไม่กิน ทำคำําสอนของพุทธศาสนาไม่มีที่แซงหรอกทาไมถึงมีที่แซงก็พระแซงเราเพราะเราทําไม่ถูกตามคําสอนของพระองค์เราก็ต้องแซงเราจะไปะแซงคําสอนของท่านไม่ได้พูดถูกแล้วโนะหวนเอกแล้วนะพระพุทธศาสนาเป็นโหนเอกเอรไหร่มุกทุกประเภทท่านทายไว้ว่าทิบหายหน้าเดียวต้งโต้ตเลย นั่นถูกไหมล่ะใครไปเล่นธนาคารเลขมีไหมธนาคารอบายยมุกไม่มีนั่นนักนนักนนักนนั่นโหนเอกทายไว้รที่บัญญัติบารบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่งนั้นเหมื่อนองนั้นสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติบารบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญัติว่าเป็นประโยชน์ก็มีเพราะอะไร เพราะอัตตาที่ปไตฝังอยู่ในหัวใจแล้วเพราะเห็นแต่วัตถุนิยมไม่เห็นอุรมณ์คติทัตตนะ์ะด้านอุรมณคติจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อร่างกายมันสกปร ก, กโสมมจะปฏิเสธทางอาบน้าไม่ได้ก็ต้องอาบน้าถ้าอย่างนั้นก็เข้าสังคมไม่ได้ ยิดใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ไหวไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะสอนมันนอกจากธรรมะเสียแล้วธรรมะต้องเกิดขึ้นในทีนพระสติพระปัญญาก็ต้องอยู่ในทีน่ถ้าอย่างนั้นก็ม่ทางกับความหลงของตนชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะและแพ้ไม่มีในทางพุทธศาสตร์นาภายนอก ชนะภายนอกแพ้ชาภายนอกไม่มีในทางพุทธศาสนาชนะกชนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองในหลักเดิมเมื่อชนะตนแล้วก็ชนะผู้อื่นไปในตัวเมื่อชนะเกียรติของตนแล้วก็ชนะเกียรตของท่านผู้อื่นไปในตัวพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนา ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำลายความหลงของตนความหลงเราเป็นแม่ทัพใหญ่เวชาตัญหาอุปทานก็เป็นเมืองเครื่องของความหลงเวชาก็คือความหลงตัญหาก็คือความหลงอันเดก็เป็นเมืองเครื่องของความหลงนอกกากกเรตไม่มีอะไรจะเป็นเมืองเครื่องของกิเรตนอกจากพระเนิพาลไม่มีอะไรจะเป็นเมืองเครื่องของพระเนรพานแต่พระนิพานไม่ได้เป็นว่าเป็นเมือง ดีคูณดีชั่วคูณชั่วบวกดีคูณดีคูณอยู่ที่ใจไม่ได้คูณที่อื่นไม่ได้บวกที่อื่นถ้ารบก็ลบออกจากใจท่าคูณก็คูณขึ้นที่ใจทางดีก็เหมือนกันทางชั่วกังเหมือนกันทำแฝงมือคือก็ทำมขันย้อนลงมาถึงเอกะในบาตคือใจมโนผู้ฟังเข้ามาทำมามโนเสถีทำมโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ มใจคุหมว่าน่าใจเป็น ห, ห, น, น, หนทางเพื่อคนทุกนวทัสสงสารศีลสมาธิปัญญารวมลงที่ใจเราไม่ประพฤติตามใจทั้งหมดเรามีสติมีปัญญาควบคุมใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็าไม่เอามานึกบัคคิดไม่ใช่ว่ะมันพานึกประทางไหนเราก็จะไปตามมันเราไม่ไปเรารู้เท่ามันปุริษาธรรมสาระสีฝึกใจดีแล้ว มันก็ฝึกกายวาจาไปในตัวเพราะนเป็นเมืองขึ้นของใจเพราะใจเป็นผู้บงการเศรีไม่ตัวเดียวคือใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญาก็รู้ลงในใจตกรองศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจไม่รวมอยู่ที่กระดาษภายนอก บาปไปเขียนไว้ในตัวหนังสือหรือเพี่อไว้ตวบอชะตากรสะกดบาปไม่ได้อยู่ในที่นั้นบุญก็ไม่ไดอยู่ที่นั้นอยู่ที่ใจของมนุษย์อยู่แต่ละท่านแต่ละคนนะ พ, พระไตไปหลอกกวมลงมาหาใจถ้าว่าเป็นสามก็กายวาต า, าถ้าว่าเป็นสองกกายกับใจถ้าว่าเป็นสีก็ธาตุสี่ หรืออริยศัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด น, นิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่คล่อลงอามณ์ให้แยกออกสมุทัยและตันหาก็เบาบางไปในตูวมรรคก็เจริญไปในตูวนิโรธก็ทําให้แย่ไปในตูวไม่ใช่ว่าจเจริญทุกข์แล้วก็จเจริญสมุทยัย แล้วอเจริญมั้งแก่อเจริญนี่เราอดอยากนั่นเป็นเรียงแบบไม่ถูกอะน่ะบุคคลผู้จะสิ้นความสงสัยใดๆก็ต้องสิ้นในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่ธรรมอนาคตทำปัจจุบันเหตุนั้นจึงเล่นลงว่าปัจจุบันนั่นแกโยธรรม ผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนงานคอนแคลนในทางพระพุทธศาสนาเลยผู้นั้นมีหลักด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเอาปัจจุบันเป็นพยานเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เรียกว่าไม่ชัดในปัจจุบันเราเรียกว่าเห็นตามสัญญาไม่เป็นประขาสิดธิ้ไม่ชัด ไม่เป็นกินตามนะยะปัญญาไม่ใช่ภาวนามนะยะปัญญาไม่ใช่สุตตามนยะปัญญาสุตตามนยปัญญากินตามนยปัญญาภาวนามาะยะปัญญารวมพลกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทัพธรรมไม่ได้แยกกันเลยเสียสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องแยกรวมพลกันเลยเป็นเชือกสามเกลียวแปดมืนสี่พระธรรมขันธ์ก็เป็นแปดหมื่นสี่ันพระธระรมขันธ์เกลียวเอา ถ้าวมลงเป็นหนึ่ง น, นัถ้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงสองเหมือนกันก็ไม่ลงสามลงสี่ลงห้าเหมือนกันเราจะนับออกไปตั้งร้านตั้งแสนตั้งเท่าไใดร้านก็ตามก็นับออกไปจากลักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ลงย่นลงมาหาลักหน่วยเชือกที่ถึงยาวเหยียบไปทั่วใตโกกระทะก็ออกไปจากหลักเดิมขม้ามา เราจะพูดมากจนถึงวันตายก็ออกไปจากหนึ่งเราจะย่นลงมาขย่นมาฮาหนึ่งชาปภิตจย่นลงมาหาเอกิตจชาพธรรมย่นลงมาฮาเอกระธรรมชาปศิณย่นลงมาฮาเอกระศิณชาปตาสมาธิย่นลงมาฮาเอกระสมาธิภาปัญญาย่นลงมาฮาเอกปัญญาในปัจจุบันทันตาที่เท่งอยู่นั่นเองเราพี่ดินดินจึงจะมีเราพี่ณาน้ํำน้ำจะมี เราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณารมรมจึงจะมีไม่ถูกอะมันมีอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบันแล้วถ้ามันมีไม่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่มีประตูจะเห็นน่ะสิ่งของต่างๆมันมีอยู่ก่อนที่เรารู้แล้วผู้รู้นี่ไปลู่ล้างฉากเฉยหรอกเหตุฉะนั้นท่านจึงยันว่าผู้รู้ไม่ใช่ท่านนี่พานท่านน่านไม่ใช่ผู้รู้ฟากผู้รู้ไปกันไม่มีที่หมายะ ถ้าไมาอยู่มันก็เป็นนิเมิตชุญาตานิมิตอานิมิตตาวิมิตอภานิฮิตาวิมิตอภนิฮิตาวิมิตชนญาตาวิโมอานิมิตตาวิโมกอภนิฮิตาวิโมกว่างจนไม่มีที่หมายไม่ใช่สารไม่ใช่บุคลบางท่านมาถามว่าผมทําไมจึงสู้เวทนาไม่ได้ผมจะข้ามวิวิเวทนาด้วยวิธีไหนบางท่านพูดอย่างนั้นเออ ถ้าสําคัญว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้เท่านั้นสาคัญว่าทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนามันก็ข้ามไม่ได้เพราะข้ามเวทนาต้องเอาปัญญาข้ามเอาสมาธิข้ามเวลามันลงปรวมอยู่มันก็ไม่ปวดแข้งปวดขาเมื่อเวลามันขบดขึ้นมันก็ขบดถคืนอีกเหมือนกันน่ยมันสู้มันไม่ไหวเพียงสมาธิสู้มันไหวเนะนิโรธสมาบัตดก็เข้าไปเก็บรันเท่านั้นสะท้อนออกมาเพราะอยู่ในอํานาจอันนิจจังนั่น ออกมาคยหิวจะตายท่า น, น <C ut> เห็นไหม น, น่ะนิโรธธรมาบัติก็เป็นก็เป็นสังขารเพราะเกิดดับเป็นส่วนจิตใจท่านผู้เข้านิโรธธรมาบัติพระรหัรไม่ใช่สังขารอันนั้นเพราะท่านอยู่เหนือไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในนิโรธเหตุฉชนั้นเขาไปถามนางธรรมชินาบอกว่าเวลาอยู่ในนิโรธเป็นยังไงเวลาอยู่ในนิโรธไม่สาคัญตรวอยู่ในนิโรธ และก็ไม่สําคัญตัวอยู่นอกนม่โรดเวลาถอยออกมาก็ออกมาหาจิตตาสังขารแล้วก็บวิจิตรสังขารแล้วกไกสังขารลงมาจะเขออกเวลาเข้าก็เข้า อ, อันนั้นเกิดขึ้นได้แบบวนแลแต่สลายขณะนี้นพระบรมศาสน า, า, า, า, าจึงเข้านิยมสมาบัติก่อนก็พระธรรมเนียมขององค์ท่านถึงแม่ท่านจะเข้าแล้วไม่เข้าก็ตามท่านจะร่วมตึงตายลงท่านก็ไม่มีกิเลสไงเพราะท่านขาดไปแล้วไม่ใช่ว่ากิเลส เวลาพระอรหันต์เข้าสมาธิกิเลสจึงจะไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่อั น, นั่นเพราะมันขาดไปแล้วอันนั้นรักษาธรรมเนียมไว้เฉยๆเรียมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวคำสอนพระพุทธศาสนาสอนมากร็สอนคำเดียวท่านละเนลงมาหาเอกน้บาศ มากก็ม า, มาออกไปกัดไกลย่นลงมาขยา่นลงมาหาไกลน้อยก็น้อยออกจากไกลนั่นนี่ฉะนั้นจึงยืนยันมนุษย์ภังเป็นหลักเดิมเป็นมูลเดิมสภาวะทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกเกิดขึ้นใน แ, แวดวงแจะแสตลา โรคที่มีการคลองแล้วไม่มีการคองโรกที่มีการคลองเรียกว่าลูกประโรคโรคที่ไม่มีไม่มีการคองเรียกว่าอารูประโรคโรกที่เป็นอารมูเรียกว่าอารมูประโรกโรกที่เป็นนามเรียกว่านามะโลกนามะโรกก็ว่านามะธาตุก็ว่านามะขันก็ว่านามะธรรมก็ว่าโรกขันนามขันโรคประโรคนาม ลูกโลกลูก ป, ประทเกิดขึนน่าแปลกกว่านั้นเแตกสายไปเหมือนกัน่ะทั้งโลกจะน้ำด้วยบรรจุอยู่ในโลกไงก็มีแต่สิ่งที่เกิดดับเท่า น, นั้นนะสิ่งที่เกิดดับก็คืออะไรก็คือสังฐานเราดีๆนี่เองสังขารที่มีกรครองและสังขารที่มันมีกระรองเต็มนัเกเียดอยู่ในโลกมเมื่อสังขารเวลาที่จะเกิดขึ้นแล้วแปลกกวนัปปะนะแตกสายอย่างนี้ ลูกไม้ของสังขารลูปไม้ของโลกมันจะไปรับไปรีอยู่ที่ไหนพอเราจะอา่านไม่ออกเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็ไม่สงสัยโลกทั้งปวงเลยว่าจะเป็นอื่นนอกจากทุกตับเส้นเพงเลยไม่ต้องมีนีกาไม่ต้องมีอุทธรสังคารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูลสัตว์โอกาสโลกโรกคือแผ่นดิน มนตโลกได้แก่โลกเทวโอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่สกการมาพระชนะหกชั้นพรมโลกได้แก่โลกภพเจ็ดหกชั้นและอารมณ์ภพสี่ชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปนามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นเมื่อใดเห็นสังขารเราไม่เทียมเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหนายในทุก นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลแนี่สมาธิแลี่ปัญญาวิสุทธิกรมกลืนกันอยู่ไม่ใช่ศีลว่ะศีลจะตั้งอยู่เท่หนึ่งสมาธิจะตั้งอยู่เท่นึ่งปัญญาจะตั้งอยู่เท่นึ่งไม่ใช่มันกลมกลืนกันอยู่ค่ยกับหนังเงื้อเอ็นกระดูกหรือหน้ากับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่ แต่ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเขาพูดอักษรยอ่อเมื่อฟารถถึงพุทธโธก็เกี่ยวโยงถึงธรมโเพลงเลยสังโฆก็เพีงเล ย, เ ย, เลยนะเมื่อตะปั้นตีดินในประเทศไทยก็ถูกทั้งเพศประเทศอเมริกาและรัสเซียด้วยเพรเป็นของแข็งมีน้าขั้นอยู่ก็ตามแต่ว่าใต้น้ามันก็มีดินอยู่นะ่ ว่าไม่เอาปัจจุบันเป็นพยานใครจะเสี่ยงความสงสัยของตนได้เห็นอันนี้จังขณะคิดเดียวเห็นรอบโลกแล้วเพราโลกแต่ไปด้วยอันนี้จังเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นพร้อมตบขนาคิดที่พูดที่นึกที่คิด อ, นนอันนี้จังอันนี้จังอละเอียดละผู้รู้เลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วที่สุดยิดก็เหมือนกันติดต่อกันอยู่หาดวางไม่ได้ ใครว่ากิดไม่เกิดไม่ดับผู้นั่นเป็นมิจฉาทิฐิน่นเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าพระนิพพานเป็นจิต น, นั่นจิตถ้าทําถูกก็เป็นคนทางเขาสู่พระนิพานท่านั้นยืนยันได้เพียงว่าจิตก็ลดพ้นจากเขเรตอาวะนั่นยืนยันเท่านั่นนี่พระราหังไม่ตายตอนพระรหังตายแล้วบรรวัญญัติจิตไม่ถูก เพราะไม่สมชันะแค่ค่ายกับแก่จะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูอยู่มันก็ไม่เหมาะสมะสะนะเกิดิกิริยากระนังกิตตังจิตกระฐานขยังลงสูงสังขารเลยเพราะอยู่เหนือเจ็บอยู่หนือทั้งขาเลยแล้ว ไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิตก็ไม่ลําบากในจิตไม่สังขารว่าไม่สําคัญว่าทุกเป็นตนตนเป็นทุกก็ไม่ลําบากไม่ทุกสิ่งไหนถ้ามีตนเข้าไปส อ, ส อ, สอแสดแทรกสิ่งนั้นก็มีเรื่องมากมีเรื่องมากเรื่องไม่มาก สิ่งไหนถ้าเข้าไปสำคัญสอดแทรกว่าตัวกูของกูก็ต้องตามไปด้วยนะเมื่อของกูตามไปด้วยทีนี่ของมึงก็ตามมาด้วยแล้วก็เกิดทะเลาะกันนกะถูกไหมแชัวสติที่อริยสติถ้ามันเกิดขึ้นทีเดียวมันเกิดสำเร็จทิศหมดแล้วถูกอริยสตินี้พานมันเยเอะกว่าไปหมดเลย พระอรหันต์เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใ้ใครโจทท่านด้วยอาวัตเรี่องสติวินัยสติในใจเรากับท่านไมาเท่าสติพระอรหันต์สติพระอรหันต์เป็นมียานชั้นยทธ์อยู่ด้วยความเคยชินไม่ต้องลำบากรักษาสติแต่ก็สอนให้รักษาสติเหมือนกันเช่นอาิกรบางอย่า ง, ก, าง ก, ก็บอกว่าสติวินัยพระอรหันตะ์าาทำผิด ไม่มีพานธันไม่ได้ทำผิดเพราะไม่มีมกเจตนาพันธันลืมสติไหมลืมเป็นตอนข้ามวันข่าวฉันลืมเก็บเพศไปเจ็บวันเป็นต้นหรือลืมอธิษฐานเป็นต้นหรือปฏิปจจาไะใจวันเป็นต้นแต่นานาที่สุดแต่ไม่มีเจตนาในองค์ท่าน เจตนาไม่ไมีในพระอหารฮะชิบวาริสุทธิ์อะ <Huh? S 2> ไม่จําเป็นจะรักษาจิตเอกสติส่วนนี้เป็นมันสติส่วนโลกไม่ใช่สติโลกุก ต, ะตระนี่เวลามีหน้าที่ลูกแจงอริยสตินี้ผ่านเท่านั้ถูกทําลายข้ออุปาทานขันหะเท่านั้นถูกเพราะอุปาทานครับขันไม่มีเนะมันก็หมดปัญหาทีสักผู อันี้มันเสพมันเสพมันถึงไอเรื่องสติตสติกินน้ําแข็งน้ําชาเนก็เป็นเสพมันเสพมันจะมาหาพลังหันในสกปรกละร่างกายมันไม่เจอมันไม่เจอไมยพบจะมาหาพลังหันในขันห้ามันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบจะมาหาพลังหันในบุคคลมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบหลวงปู่แหวนเป็นว่าระเบิดขันห้าสกปรกเนว่า แล้วลเ บ, เบอร์ยังไงกันโน้ <laughs> แล้วเบิดก็คือทําลายลงสู่อนัตตาแล้เบิดก็คือทําลายลงสู่อนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาทัญนาอนัตตาสร้างขาราอนัตตาเวีญนญาณอนัตตาทำเบรสร้างขารทำเบรสร้างขาราอนิจจาทำเวรธรรมาอนิจตาติ พรบรมศาสตราไม่ชีวิตอยู่ได้ทรงเทศขั้นหามากกว่าเพื่อนตาตินชาติไดแท่มันเกิดไว้ไม่ชันรู้ตัว i d e ถูกแป๊บเหมีกกับไฟภ้าสีเรียวมันก็ทํำลายหนูหาหมดแล้วมากน้อยสติมันไม่ชันรู้ตัวแล้วค้ามันเกิดผลนเดี้ยเราก็ตับไป ความรู้ตัวตอนนั้นมันก็มีอยู่ในตัวไม่ได้ต้องแต่งมันจะมันเร็วที่สุดไอ้ตัวนี้มันเป็นมัดเป็นแท้มันเกิดไม่ทันรูปตัวมันแวบเดียวไม่ถึงมีนาทีมัดแค่จิมันไม่มีถามต่อะไรมันตั้บจะเหมือนกับมือที่ไฟงันย้อนเลยมัดเปอร์เซ็นไอ้เซตีที่ว่าเดินเหยข้างนอกนี้มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นทุก ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกข์มันมีทุกข์ยังปฏิบัติออกจากทุกข์เรานี้ทุกข์หรือให้ทุกข์หนีจากเราเรารู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็หนีเองถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็ไม่หนีเราลืมตาเข้าเราเมือดออกไปเองไม่ต้องให้เหงื่ อ, อไม่ไม่แต่ ประาตาไม่มหรือในไที่มืดบางท่านพูดบอกว่าและอันนั้นละอันนี้ก็ถูกอยู่เพื่อแสดงเป็นบุคลาภิษฐาเป็นกิริยาไอ้จะแค่เมื่อมันรู้เท่าอันไหนมันละเองมันถ้าอริยสติมันยังไม่เกิดมันไม่ได้ออกครับถูกก็ได้จะ่ปากว่านั่นแหละัำไม่นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรมันไม่รู้เท่ามันรลกมันไม่ขาดถูกส้ำโลกเคลื่อนผูกกาย หักระยะที่ดี้มันขาดทุกสามอันก็เอาละสามอันถ้ามันขาดสามอันแล้วอันอื่นค่อยขาดไปเองเหมือนกับงูจัดหัวแล้วถูกอยู่ไม่ได้หรอกถูกถ้าขาดสามอันแล้วอันอื่นขาดไปเองไอขาดสามอันแล้วพุกชโนธมูสังโกลในฟาไม่มีสงสัยถูกถูกฟังออกถูกลานเปอรเล้านเป์เ็เลย แต่มันยากอ่ะคอยโพี่สร้างบา ร, รมีมามันมีน้อยไปสักทีสกทีเจ <laughs> ้ว่าเมื่อเห็นว่าสียงไหนไม่เป็นประโยชน์ทีนั่นไม่ต้องได้พยายามลบทิ้งมันทิ้งเองตูเลยเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เหมือนนำลายถ้ามันเห็นชัดว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็บ้วนทิ้งมันก็ไม่เสียดายเอาคืนมาอีกด้วยปัญหาก็ไม่มีในน้ำลายนั่นระวังข้าเนอะ แล้วนำลายมากินอีกมันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ระวังเราว่าจะเอาวัฒน์นำลายมาอีกเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ใครใครพอเหมือนกันทุกท่านถ้าเห็นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ชัดมันก็ทิ้งตูมเลยที่มันทิ้งไม่ได้เพราะเพราะมันเห็นว่ามันมียังมีประโยชน์ยังมมันยังมีมิจาทิฏฐิในตอนนั่นอยู่บริษัทที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ไม่ได้แล้ครับไม่ได้ ก็อย่างนี้แบบอริยะสติก็เทศกันไม่อยู่แล้วมันสําคัญที่มักพระพุทธเจ้าเทศมักก่อนที่เทศอริยะสติทีหลังก็มันต้องมาทางที่ถูกเพื่อมาพบอาจารย์แต่มันมองไม่เห็นไอ้คนน่ะพระเหมือนกันพระเหมือนกันเนีตัวสําคัญที่สุดคือตัวตัวมักอ่ะถูก้าเจริญอริยะสติรวมมักได้มันถึงจะรู้เรื่องกันได้มันไม่ใช่ไปว่ากันเยาวๆนั่นเหตุของสติผลของสติมันทำประโยชน์อยู่ในตัว เหตุของพลูกผลขอลูกอยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรูปตัวผลของรูปตัวมันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวเล้ครับทีนี่พระเราเนี่ยกับสามแสนอ่านมาแล้วประทายหลดท่านก็บอกโงงๆมันแก้ได้เรื่องมากเลยทีเดียวก็ไม่เอาใจเรืสติไปทีเดียวก็ไม่เอาไปเรื่องอะไรก็ไม่ถูกมันมันไม่เข้าใจกรรมกรรมเรื่อกรรมบางตากรรมโมเนาวะกรรมอะไรกรรมโอมไปแ แม่ได้ฟังเพศงในจานสงใจเลยสมัยค่าน้ำค่าไฟปูนะเอาขออัญมาสมัยท่านห้าพันห้าพันของพ่อสวายน้องปู่ห้าพันนะครับแม่ไม่ได้ฟังเพศขนาดถึงพวกหูใจหาคนเพียร ฮะคนต้องปีนภูเขาขึ้นมาก็โบหารโวหารก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็หายหันลงถูกไหมใช่เโวหอนก็ให้ยหันลงอันมันหมดไปเลยหนึ่งหนึ่งศูนแสนไม่ต้องพูดกันแล้วอะสังข์โหไม่มีแก็พระบรมศาสดาสอนให้สังข์กระโหนอะสังข์กโหก็อย่าสงสัยเอเชือกเส้นเดียว จะถึงยาวเหยียดออกก็อย่าสงสัยโค้งเข้ามาก็อย่าสงสัยถูกไหมผมทำไม่ได้ฟังแพ่จับองค์จับใจมานานเลยก็สิแล้วไหมไปจะได้มานะเปลี่ยนเขาขึ้นมาคุ้มค่าเปลี่ยนเขาไหมล่ะคุ้มค่านะนะเเออมีแต่คนพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะเหยียดใจจงไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ปฏิบัติพรอบวดมาไม่ไในวงหัวหมังเพื่อจะพ้นทุกข์ถูกถู ทำยังไงกูจึงจะมีล่าทำยังไงกูจึงจะมีรถยศทำยังไงกูจึงจะมีชื่อเสียงคือกรูบาอาจารย์นี่มันมุ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสีถูกไหมนั่งถึงว่าที่ใหญ่ๆจนโตทุกวันนี้อยู่เหมือนมันไปไม่รอดไปไม่รอดถ้าเพื่อหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันนี้คือปัจจุบันในทางปัญหามันจะมีมาจากประตูไหนถูกไหมที่นี่บุญไม่พอมันไปไม่รอดไปไม่รอดอาจารย์ผม ที่กลับขอบพระเดชพระคุณดีให้บรรดาสหธรรมิกไปหามขึ้นมาไม่งั้นไม่ไฟังเทศน์ในฌานนะผมผมจะกลับแล้วผมผมนึกว่าจะลงไปขึ้นผมนึกว่าจะลงไปอยู่ผมนึกว่าจะลงไปเขาจึงบอกให้เขาจึงรับรองไปหามาเขาถ้าผมไม่จะลงไปเขาก็นึกว่าจะไม่ไปหาหน้าจันเจอจันจันมั่นตอนไหน โอ้สองพันสี่รอแปดสิบเก้าเ้าสกาสสอนยู่สกนุนาะสกุนจันกูก็ไปตอนนั้นเหมือนกันอ๋อฉันกูปีรถกูั่นนิพพานรถกูกูอยู่วัดบ้านมะนาวปีหน้ะตอนท่านจันกูยังอยู่เนียผมยังรับราชการใช่ตอนท่านจันมั่นยั้อยู่ผมรับราชการอยู่เดี๋ยวเวลาท่านจันมั่นไปท่านจันกูไปที่ท่านจย์มั่นกลับมาก็เราให้ฟังให้กูเค้ไว้ใค้เรว ฟังธรรมทานอาาร์เเชื่อเอาังรู้แล้วเป่าอ่ะรู้รก็บ้างไอยู่นานเนี่ยเนี่ยอยู่นานกับข้าสองพัรษาเนี่ยอยู่นานกับข้าสองพรรษาเนี่ยจะหาหลวงปู่มหาออกนี้จากหลวงปู่มหาสัมย่ามที่ให้น่ะใช่อยู่เดียวนี่ยังดีอยู่ครับผมย่ามที่คุณเอามาให้นะครับผมยังยังยังดีดีอยู่ดีใจ ดังนียเดชันะครับไปไหนไม่รอดมาเป็นปราขาวอยู่นี่ยังนี้กว่เออาผมอยู่ที่ออสเตรเลียเขาเขียนจดหมายไปถึงเราก็มาอยู่ฟูโจโกอยู่ไปแคนาดาน่อยแต่เขาก็มีโอกาสเดิมาเมื่อพูดกระหมูก็พูดมากเมื่ออยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ต้องเอามากหอก ต้อการเอามากก็ไม่สงสัยในมากเมื่อ น, น้อยก็ไม่สงสัยในน้อยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะหดเข้ามาก็ไม่สงสัยก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองทีนี้ครูบาอาจารย์แจกหนังสือเราชอบดูเราชอบดูยูพ่เห็นดูทําไมเราสงสัยนะว่พาพระธรรมสระสงค์เราไม่สงสัยเราเป็นแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่นนนานจะแจกสารในธรรมขนาดไหนเท่านั้นไม่ได้สงสัยเช่นหนังสือพระบรมศาสดา ทท่นเทศแต่ละคัำพีเหมือนกันพระไตไปรปิฎกพีทังหเล่มผมไม่ได้สงสัยจากเร่มเลยแต่ว่าเรื่มไหนท่านอธิบายละเอียดก็นเนื่ ว, ว่าแต่ละเล่มงและเรื่อมันโยงถึงกันหมดแน่นีอยเช่นธรรมจักรขปวัตตาสูตรพรนเทศปมรศสมพระสงฆ์เทศนีมะนะมันก็ครบไปพระไตไปิฎกมาแล้วฟูงไว้อืมคือโฟเดียวนี้ที่เียว่าเย็นะตําำราเนี่ยมไม่ว่าท้ายไม่ว่าฝรั่ ขึ้นแต่พุทธศาสนาคือได้อริยสัจตีเอารุลุสมาไัยสำเร็จแล้วอ่ะพระเจ้าทารกรงกงเียครับขึ้นต้นทางเทตอริยามักคก่อนมัชิมาปทาสก่อนสิ่งสมาธิปัญญาสก่อนแล้วถึงจะแสดงอริยสัจตีไม่มีใครสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างไรผมไปพรนน่าอยู่อริยตันกับสี่ห้าปีมันได้รู้อ๋อมันอย่างนี้เองมัน จริงมันเสียวจริงๆแล้ายๆว่าถ้าจะมาตรงนี้มันต้องมาหนทางที่ถูกถ้าไม่มาหนทางแล้วมันจะถึงที่นี่ไม่ไู้แต่ว่าคนเรามันมองไม่เมันครอบแปดมือที่าสําคัญอยู่ในตัวแล้วตัวมั่งมันสาคัญเลยครับถูกถ้ไม่เดินทางมาถึงนี่มันจะมันถึงได้อย่างไงแล้วไม่มาถึงมันจะพูดไปได้องมันก็ฝันไปตรงเดชนับ่นเองผมกลับละ พาเนผ่านีาน่ท่านาจารเดินไปยังไงมาถึงมาเจอเขาที่ได้เที่ยวเวฟมากี่ปีแล้วครับเรื่มาทีแรกสองพห้าร้อมาอยู่นี่อ๋อสองกัน้ารผมอยู่ภูกระงสองน้าร้อยมาอยู่นีงน้า้อยผมจำมันตายอยู่สองพันแปดสองพัส่ร้อยแปดสิบเก้าล็อกมันเก้าสิบเาล็อกโฟมันเก้าสิบเ็ดล็อกโ่มันเก้าสิบสองล็อกโฟมัน 90, เก้าสิบสามถวายประเพิงร้องผมั่นะลงไปอยู่ครับร้งปู่เทศเทศสรังศีเฮีเป๊กผมก็เคยอยู่กับท่านที่จันทบุรีจันทบุรีครับคงคงประยชน์ม์สองเก้าสิบเอ็ดครับเออเข้าใจกสิบอดพอเก้าสิบสองั่เส้นลมฟานเก้าิบามส่ถวายประเพิงเก้าสิบสองเส้นลมฟานในในเดือนพฤศจกายนผไอยู่กับท่านในจันลีรสองเก้าสิเอ็ดกับท่านจันเทวดสองอ พอใจปนั้นหลวเทพจำภาษาของกุ้งครับท่านจารนลีจำเคยเห็นไหเคเห็นท่านจันีเคยเห็นแล้วทาา่านจโชคเอเคยจทพชอบไปผมไปเจอท่านที่วัดเจดีย์หลวงแล้วเลยตามไปอยู่กับท่านบนภูเขาเกรเลียงผมไปสองบนเก้าปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บุญลายท่านอาจารย์ชอบเอ่อ เจคุณอริยคุณาธรรมแล้วแต่ที่เจ้าคุณนี่นะเพื่อนไปติดสัญญาเต็มมากติดนิมิตเตอมมากเสียตอนนี้เพราะเพราะหนักในปริยัตผมรู้จักดีครับมูชักดีหลักหนักในปริยัตผมวนไปใหม่มาอยู่วัดศรีมาธาแต่ก็คุย่าเห็นททวดาเห็นผีบอกเอ๊ท่านอาจารย์กูเพิ่งไหว้พวกที่เป็นสัญญาเท่านั้นนะถูกอาจารย์กูอะไรนะก็สัญญาผมว่าเป็นสุทิได้เร่เลยท่านไปทางโค้ ทำไปทำคู่นี่แปลว่าเครื่องหมายนี่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวดแล้วแตกสลายนิก็แปลว่าเครื่องหมายไมาว่า้ที่ไหนก็ต้องเป็นยังมิตินั้นหมายที่นี่ก็เป็นยังมิต่นี่จะลงเล่นกับขันห้าจะเป็นเสร็จเลยเก็มารวมมิตินันแล้วมารวมมิตินั้นแล้วระเบิดลงที่นั่นระเบิดลงที่นั่นมารวมมิตินั้นเลยขันห้าขันชารุกเขามารวมในขันห้าแล้วแล้วนี่สบายมากอ พูดถึงกันถ้าคนบางเพศไม่ได้เลยพูดถึงกันไปไปโทษทรมารถโก้โทษทรมารถโก้โทษทรมารถโก้โทษทรมารถโก้ไปไปชุบไไปโมาราหลวงพูดล้ไปขาหลวงพูดแล้วไป หรือหรือเียดเดียวเวลาลงฝันคือคือบัญาได้หเปล่าเวลาลงยดยเดยเดียเยยโตเสียเอาไม่กันเท่าเพาสเขาใจจะตันเอาป่ะไม่กันเท่าเอาป่ะโอ้ผมลงคับผมุงจับลาวมันลงได้ดีวว่าเวลาเวลาไปบินธบัติไงเออผมเดี๋ยวนี้มันไมได้บินธบาตแล้วอยู่เมืองนอกเขามาส่งเลยครับเออไม่าด้อกว่าใน่นน โค้งโค้งโค้งข้าราชารมีไม่เท้ามาทั้งอันเป็นอีกนี่นี่ฮ่าฮ่าาฮ่าาเเอาเอันข่าให้อันเอาเข้าให้หนเพื่อเพื่อมันไม่ไหวอ่ะแต่ว่าอันดำมันนัดกระจายันเบาเออเอาเาโคตสมโสมโภชงโคอ่โคตรสมโภชโคสมโโคสมโภชัคสโภโ นคนธรรมะเถิงกันไม่ได้คัดข้อกันเลยบัดเห็นไ <c oughs> คนธรรมะเถิงกันไ่ได้คัดข้อกันลองเพลงกันเลยตัวัโ่โกจุ๊บกัจุ เป่ากระหม่อมเ็มัโทษคับท่านพ่ออ๋อเป่ากระหม่อมให้ถึงจิตใจให้ถึงพระพุธรรมประสงค์เป็นบุคราธิฐานที่เฉยดับเป่ากระหม่อมก็คือเป่ากิดเป่าใจเตือนจิตเตือนใจให้ถึงพระพุณธรรมประสงค์เด่นถ้าเราไมถ้าเราถอว่าเป่ากระหมอมันเป็นของขังอย่างนี้มันก็เป็นเสยศาสตร์เป่ากระมอมก็คือเป่าหัวแทนหัวใจ เพราะหัวใเรามองไม่เห็นมันแล้วก็ปอบก็หมอนแทนมันแปลว่าเตือนใจเตือนใจปลุกใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้แน่นลงไปอีกแน่นลงไปตะพุทธตื้นแน่นเกินไปไม่มีเรื่องใช้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เกินไปไม่มีมีแต่มันไม่พอ ผู้เขาควอยบอัติงผู้เขาเิมาไลขคอยบอัติงใจถึงว่าคือ่ระธาตุผสมกัมบข้อยบอัติงิงที่สังหาระน่าเขา้าไปโอ้มาลูมาสุดอืม อ่นน่้มันท้องไฟลเราเอาไปฉังนก็มากินแล้ว ขาขาโพโต้สมม้อดั้งโคโนสมม้อดั้งโคปรกจุประจุประจุประจุโนสมมอทั้งโคประจุประจุนีประจุประจุประจุอะรเงี้ยู่เสียงมฟังรู้ ที่แต่ว่ามันคนต้นนาเพ้องปูกั้ตท่ก่อนแต่ว่าของทำไมคนธรรมดาฮะม้าไทยของออสเซเรียประเทศไทยเข้าเนี่ยไปญี่ปุ่นมานออนก็เข้าบัญชาเดียว ม, มีหลายตอน น, นีออก้กรรมารวมอยู่กับรูอยู่ร่วมกรรมมาทานเดียวนะไม่ไฟทั้งคานทั้งคานที่มีหลายกรรมมาทานตอนนี้ก็สร้างข้ามารวมอยู่กรรมาทานเดียวอันนั้เมขึ้นแล้วปรียบควรและแตกตรายขนะันเบื่อไนอันนี้กับพ่นท่านยสียเอง โลหารโลหอนควบเนื้ควบ ค, คิดสิมีร้ายไปไหนกับตามก็มารวมอยู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าได้แต่สลายนะ่ะมารวมอยู่อนันจากทุกครั้งอานาจา ร, รวมของพ้นโลหันของพ้นของควมหลงเขามาร่วมไหปหันลูกแจ้งก็ต้องรูหร้หันดูในปัจจุบันปัจจุบันเอามาไหว้หมดแล้ว ทั้งขานทั้งวอยาไตโรกฐามเมธระยามาร่วมในปัจจุบันหมดแล้ศีลธมะที่บรร่าเมธระยามาร่วมมาในปัจจุบันลญญเลจะไปขัารหาบัาอือมันกับวัตถแล้วเขอเอามาไวหว้ผ่านเป็นบ่าวเี่ยอ้ยเดี๋ยวอามาร่วมาหานแะม่ยางเิดเผือหาบัวอกับผีบ่าที่พวกเกมร่วมมาหกมันตคืองัน เ, เอาม า, าไวน้นกปาเลยนึกวนตัวเอามาไหว้ไปหาบาอือมันท มาเขียน์หัวอยู่อ่าผู้นด้สูงเถอะเอามาเขียร์หัวเนี่ยปหาอย่าอื่นนี่ก็โตเอาทั้งทั้งคำสอนทั้งหลายแปดมือที่เขาทำมาคัญมาร่วมในสัยในสมัยจับวันที่เพ่งอยู่เนี่ยนี่อันียวก็ขู่ปัาอ่างอื่นอีกโยกับสมบัถือแผลคนกับคนทันพวกคนกับพวกคนทันก็อาย่หันไปเาหามเงินเนี่ยนี่ออกจากสนามงานเนี่ถือเนี่ยคือเฮือกนะครับเฮือกรวมในนี้จะเฮือกหรือตาย มาไพยเขาเนี่ยสีมทั้งใหม่ไพ่ทิมทั้งยังละตาดระตัดแค่ไหนเครื่ อ, อยอนต์ยังไรถเสียหลักเนเป็นปเต้นมงรู้รถทัตายต้องรถพ้ัหลังเนเป็นปเนมงรู้จ้าหัวสีเขากับรล่อหหลนเนี่ย ขมันก็ไม่หลายพองห้องเขาบอกหลายเสีขาของเก่าพานักกระบะไม่ลายแล้วสิ่งก็ไม่ชอเสียงหลังฟักไข่มันุูลชอรตึรใหญ่ที่แคททำมันหลายมันก็หลายเนื้อแทมันหน่อยมันก็น่อยเนี่ยหลายก็หลายออกมาจากใจหน่อยก็หน่อยต้องมาหใจฮะสงสัยก็สงสัยในใจคุณผ่้สงสัยก็มันใจคุณผู้ว่าสงสัยท่านดีท่านฝ่ามาสงสัย คนดินพาามารูกใหว้วะมันใจต่คุสรูดเ่าจะของในพีสมาเลาสูรูกเท่าควผู้สร้างคืนสร้างคืนให้ไผมาแก้ปัญหาให้ในตาหูใมงเรียนกายมาแก้ให้มันแก้ให้เพราอะไตัวเป็นผู้สร้างคืนไฟไฟแนปัญหาเห็นไหมมันตอนบอดีตอนนี้ก็แก้ท่านบอกตัวเป็นผู้สร้างคืนให้ไผมาแก้ให้นั่นมีปัญหาอะไรขึ้นต่อไป ใจเป็นผู้สางึ้นตาหมจมูกเลี่ยนมันสางคืนไ่เป็นคนตายไยาาว้ยังสางคืนไม่เป็น่เป็นในใจใจไมไอยู่หันไม่ตาบ้นกบวเลสางอย่งในหูมัานกับบัทรงอยงขับไปหาได้บุญผู้รับแผ่มันหนูไม่เส้นย่หันรีมันสางน้อคู่สคุณมหาลกูสจะสมัน้งมหาลกตเนบ้าด็ี เขาเขียนจะสมุนท้าคอยใจแล้วม่งของไม้ของเกา่าเหนตัวกระตาของไ้เก่าเนี่ยต้องก้องหูอันเกา่ากิจใจตัวอันเกา่าตัวเนืกอคิ ด, ดยอยู่พระค้นพระค้นพระว่าเนีดจังไงสิกสิกข่ขขาวเวทนาในน้อง คำาอะไรแล้วก็ถือว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตก็คำว่าอไไรคือกันถือว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกก็คำว่าอไไรคือกันถือว่าตนเป็นสั้งขานสั้งขานเป็นตนก็ามทั้งขัน่าอะไรคือกันถือว่าตนเป็นทุกทุกเป็นตนมรนค็คำทุกว่า่ะไรคือกันถือว่าตนเป็นอเนจังอเนจังเป็นตนกันก็คำอเนจังว่าอะคือกันถือว่าอนัตตาเป็นตนตนเป็นอนัตตามันก็คอนัตตาบ่าอะไรคือกัน ถือว่าศูนย์เป็นตนตนเป็นศูนย์ขามศูนย์่าไรคือการหาเอาหนี้สั่นปัญญาล้วนได้บา่านหลวงสมาธถถิว่าต่อได้บ้านเนี่ยั่นปัญญาหิวสมาธิขึ้นไปขี้ข้อเราปัญญาผ้าไปก็เท่าหิวเอาลูกเอาล้านคาบข้อเราผ้าไป เดววาปัญญาหิวศีลกับสมาธิเก้นไปแล้วเอาไปใส่กระเป๋าของปัญญาแล้วอวันเถาะเอาไปเป็นมื่อเกินของปัญญาแล้วอวันเถาะหลังสมองแล้วอวันเถาะยึดได้แล้วอวันเถาะยึดศีลกับสมาธิแล้วให้เป็นเมือเึนของปัญญาหนาบเนี่แม่ระวงคนปลกที่แหลกสดทายจังอยมากมื่อหนึ่งเป็นเป็นเงียที่ทำฝันบา นั่นแหะตอนผมคือมักถามตัวปัสสาวะสิตัวยังความเตอนสี่ น, นั่นื่อคอยสมาธิเดียวไหล จ, สห า, ลจลาสินกมยาคาสิิเด็เยเนาสมาธิยังเป็นหุกลุ่มไดว่าเดินใน ป, ปันสสาวะรเนีนะมม่ยผมไม่อยากขียนวาไม่ใชเราไม่ใช่ของเรารถเ น, นะเป็นทั ก, กรูปเป็นทศที่เห็นผมเขาลงห้ใจคอหัวนี่ยจะมีเรื่องมากเป็นทศทักวรูปเป็นทศทว่เห็นท่านสิบปตต้ไปตายยังอีก ชัววก็เส้วยเห็งเป็นดสักว่ารู้เป็นไสักว่เห็นในจิตต่อไปตายใช่ไหว่าแต่ก็ได้จาของของชัวอย่าตกแนวตไลอยอย่าตกไหลต้องแนวกหัวองแนกหัวผมฟเดี๋ยวเรพร้อมอย่างนี้ขอบเขตได้ไว่าสะอาเลยวะมุกยางดีอะทัน่อยคนหรีคือภาคันสนใจ มโตไม่รู้สามคนเท่าหก็สิไไม่สามสามโตทํามันเนี่ยแม่ ม, มสามคนทํามันนี่มันบาปมัเราบ้าเาว่าคือ บ, บาปเลยเ<ะ>หรอเข้าสงสัยแล้วมีผู้มาถามมาขาข่าเลยคนทํามันมันบาปบ้าเว่าคือบเอาสงสั้มีูอขเลยาาบาว่าบาปเลย วันเออันวันรทารมันเยได้พระาะหน้าค้าเมกัทามันเนี่ยเพราะทนควมเีรขะได้พระพุทธศาสนาท่ามันวิธีนะถึงพระหน้าข้าเมี่ยดียวกัท่ามันพระชวารามกท่านี่แหละทามันเพราะยินดีจ้ัวตเมียตัวไดย บ่าด้ยินดีถอวเพื่นแงเพื่นดีบ่ดีกขของโตรลยอมมูโตกันปฏิวัติสันนิยนกปมันปฏิบัติสันนิยโตก็เมียาจโตสิจากอายกันได้หว ผู้ใดแสดงกิริยานั่นก็ดีึ้นมาก่อนจะทวงมันเนี่ยหัวเขาไม่อ่างกันมันโตเอียงมันโตเกเรอะไรอย่างเงี้ยไม่รอะไรเขเป็นฝ้าลาดทราบไม่ใช่หรื่ามบูริดหรอกกรสัวดากมันเนี่เบาเนีกสวดาบมันไม่ขอบเขตเนี่ย หน้าขม่ขอเขโทสไม่ขอบเขตโตโต๊ะ่านั้นก็ไม่อนัเป็นยมได้หของได้เป็นโยมได้ทา ม, มาหาเก่งได้แต่หาวัตของฤิ์เด้ยอบวัตถของฤิเห็นแกปากแก่ท่อแบท่ทอเอาของพืนอนมาเป็นของตูดูกระดูเอาใจเหตุของจั่องมาวางเสียเอาของพื่น มาเป็นผูงตัว โ, โดยว่าจะสือ่อจะขอยกเว้นเรบโองคมพนามันอันนี้มันเรียบไปเฉพาะโซดาวันนี่ล ะ, ะโซดาวั น, น่มาปล่อยเว้นเนแทงคนด้ายเขียดปนี้กับมาปล่อยเว้นเ้นแทง